ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วจะตอบพวกอัญญะเดระถีปริภาชคเหล่านั้นอย่างไรภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักภิกษุทั้งหลายฟังต่อจากพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจาไว้พระผู้มีพระภาคตรัสว่า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 ภิกษุเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกเพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคโจรอยู่มีปกติเห็นภายในโทษแม้เล็กน้อยสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนี้เป็นเหตุประการที่สองแห่งการเจริญธรรมที่เป็นฝ่ายแห่งสัมโพธิสาม ภิกษุเป็นผู้ได้กถาเป็นเครื่องขัดเกลาอย่างยิ่งที่เป็นสัพเพะแห่งความเป็นไปของจิตคืออับปิฉกถาเรื่องความมักน้อยสันตุติกถาเรื่องความสันโดษปวิเวกคถาเรื่องความสงัดอสังสักขคกถาเรื่องความไม่คลุกเคลีวิริยารำพกักถาเรื่องการปรารบความเพียร ศีลกถาเรื่องศีลสมาธิกถาเรื่องสมาธิปัญญากถาเรื่องปัญญาวิมุตติกถาเรื่องวิมุตมติยานทัศนกถาเรื่องความรู้ความเห็นในวิมุตติตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากนี้เป็นเหตุประการที่สามแห่งการเจริญธรรมที่เป็นฝ่ายแห่งสัมโพธิ สภิกษุเป็นผู้ประรบความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายนี้เป็นเหตุประการที่สี่แห่งการเจริญธรรมที่เป็นฝ่ายแห่งสัมโพธิ 5. ภิกษุเป็นผู้มีปัญญา คือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกขโดยชอบนี้เป็นเหตุประการที่สแห่งการเจริญธรรมที่เป็นฝ่ายแห่งสัมโพธิภิกษุผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังได้ข้อนี้คือจักเป็นผู้มีศีล สำรวมได้การสังวรในปาติโมกเพียบ พ, พร้อมด้วยอาจาระและโคจร อ, อยู่มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมัานศึกษาอยู่ในศิขาบททั้งหลายภิกษุผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังได้ข้อนี้คือจักเป็นผู้ได้กถาเป็นเครื่องขัดเกลาอย่างยิ่ง ที่เป็นสัพยะแห่งความเป็นไปของจิตคืออพิยชกถาสันตุติกถาปวิเวกกถาอาสังสักขกถาวิ ร, าริยรำพกกถาศีลกถาสมาธิกถาปัญญากถาวิมุตติกถาวิมุตติยานทศนกักกถาตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบาก ภิกษุผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังได้ข้อนี้คือจักเป็นผู้ประรบความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดี พึงหวังได้ข้อนี้คือจักเป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นดำรงอยู่ในธรรมหประการนี้แล้วพึงเจริญธรรมสี่ประการให้ยิ่งขึ้นไปคือหนึ่ง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 ที่ถอนอัศมิมาณะได้ในปัจจุบันสัมโพธิสูตรที่หนึ่งจบ